บทที่สความหวาดกลัวและความเจ็บปวดอิสระจากความหวาดกลัวอิสระจากความหวาดกลั ว, ว, ว, ลวถ้าความรู้สึกผิด เป็นเหมือนการมองกำแพงอิฐที่เราก่อไว้ในอดีตและเห็นแต่ก้อนอิฐน่าเกลียดสองก้อนความหวาดกลัวก็น่าจะเป็นการเพ่งมองกำแพงอิฐที่เราจะก่อในอนาคตโดยนึกถึงแต่ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้หากเรามืดบอดเพราะความกลัวเราก็จะไม่สามารถเห็นส่วนอื่นของกำแพงที่อาจจะถูกก่อขึ้น อย่างสวยงามไร้ที่ติได้เราจะต้องเอาชนะความกลัวให้ได้ด้วยการมองเห็นกำแพงทั้งหมดอย่างเรื่องต่อไปที่อาตมาได้มาจากการไปเทศที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการเตรียมการล่วงหน้าเป็นเวลาหลายเดือนให้อาตมาไปเทศให้สาธารณชนฟัง สี่คืนติดต่อกันมีการจองห้องประชุมที่สั City นเทคซิตี้ในสิงคโปร์ที่ทั้งใหญ่และแพงสามารถจุผู้ฟังได้ถึง 2,500 ที่นั่งไว้เรียบร้อยและมีการติดประกาศบอกตามป้ายรถเมล์แต่แล้วก็เกิดวิกฤตการณ์เรื่องโรคซากขึ้นเมื่ออาตมาเดินทางไปถึงประเทศสิงคโปร์นั้น รัฐบาลสั่งปิดโรงเรียนทุกแห่งแล้วผู้คนที่อาศัยอยู่ในอาคารหลายแห่งถูกกัก บ, บริเวณเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้อโรครัฐบาลแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการชุ ม, มนุมกันในขณะที่ความหวาดกลัวแผ่ขยายไปทั่วนั้นมีคนถามอาตมาว่าเราควรจะยกเลิกไหม เาวันนั้นข่าวพาดหัวด้วยตัวอักษรดำใหญ่บนหน้าหนังสือพิมพ์รายวันเตือนประชาชนว่าบัดนี้มีชาวสิงคโปร์ป่วยด้วยโรคซาถึง99คนอาตมาตถามว่าปัจจุบันสิงคโปร์มีประชากรจำนวนเท่าใดคำตอบคือราวๆ4ล้านคนอาตมาจึงให้ข้อสังเกตว่า นั่นก็ย่อมหมายความว่ายังมีชาวสิงคโปร์ถึงสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหนึ่งคนที่ไม่ติดติดโรคซาเราจงเดินหน้ากันต่อไปเถอความหวาดกลัวถามขึ้นทันใดว่าและถ้าเผื่อมีใครติดเชื้อโรคซามาล่ะ ตัวปัญญาก็ตอบว่าแล้วถ้าเขาไม่ติดล่ะและฝ่ายปัญญาก็มีตัวเลขโอกาสที่น่าจะเป็นไปได้สนับสนุนอยู่ดังนั้นการเทศจึงได้ดำเนินต่อไปคืนแรกมีผู้มาร่วมฟัง 1,500 คนและจำนวนผู้ฟังก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเต็มห้องบรรยายในคืนสุดท้ายผู้คนประมาณแป0 0ันคนได้มาฟังเพศพวกเขาได้เรียนรู้ที่จะฝืนความหวาดกลัวที่ไร้เหตุผลซึ่งทำให้ความกล้าหาญของเขามั่นคงหนักแน่นขึ้นในภายภาคหน้าก็ เ, เพลิดเพลินกับการฟังเพศและพกพาความสุขกลับไปซึ่งย่อมจะหมายความว่าระบบ คูมคุ้มกันในตัวเขาที่จะใช้ต่อสู้กับเชื้อโรคได้รับการเสริมให้แข็งแรงขึ้นและที่อาตมาเมนเ้นในตอนท้ายของการเทศทุกครั้งคือการได้หัวเราะเมื่อฟังเรื่องสนุกๆที่อาตมาเล่าเป็นการออกกำลังปอดซึ่งจะทำให้ระบบการหายใจแข็งแรงขึ้นด้วยแน่นอนว่าไม่มีผู้ฟังแม้แต่คนเดียวติดโรคซา ความเป็นไปได้ต่างๆสําหรับอนาคตนั้นไม่มีขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราเพ่งมองเฉพาะความเป็นไปได้ในทางลบนั่นเรียกว่าความกลัวแต่ถ้าเราสามารถระลึกได้ถึงความเป็นไปได้อื่นๆต่างๆซึ่งมักจะมีโอกาสเกิด ข, ขึ้นได้มากกว่าเสถียรซ้ำนั่นแหละจึงจะเรียกว่าความเป็นอิสระจากความกลัว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 พวกเขาจึงต้องสอบแสวงหาการบริการจากบรรดาร่างทรงและหมอดูหมอดาวทั้งหลายอาตมาขอเตือนโยมเรื่องร่างทรงนะว่างจงอย่าได้เชื่อใจหมอดูกระจกกระจอกเหล่านั้นเป็นอันขาพระปฏิบัติมักจะได้รับการยกย่องว่าเป็นหมอดูชั้นยอดแต่ท่าน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 แต่ลูกศิษย์คนนั้นมีความมุ่งมั่นมากเขาทบทวนให้หลวงพอ่อรึกว่าอีกครั้งที่หนแล้วที่เขาถวายอาหารท่านเงินจํานวนเท่าไรล่ะที่เขาเคยถวายวัดเขาขับรถพาหลวงพ่อไปไหนมาไหนโดยปักกระเปาตัวเองแถมยังต้องทิ้งการทิ้งงานและครอบครัวไปหลวงพ่อเห็นความมุ่งมั่นของชายคนนั้น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 จะเป็นดังนี้นะครับครั บ, รบลูกศิกษย์รีบสนองหลวงพ่อว่าอาตมา ก, ก็ไม่เคยถ่ายไปเสียด้วยโยมทราบโยมทราบดีเอ่อเอ่ออนาคตของโยมจะเป็นยังไงครับหลวงพ่อ ลูกสิทถามอย่างตื่นเต้นสุดๆหลวงพ่อชาตอบว่าอ น, นาคตของโยมนะืิ ก, ก็ไม่แน่นอนนะสิและท่านก็ไม่คิดจริงๆสะดวด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 เมื่อเขาลืมตาขึ้นในห้องนอนของเขาก็ไม่มีนางฟ้าสักองและเฮ้อไม่มีไหบันจุกทองด้วยแต่มันช่างเป็นฝันที่ประหลาดแท้<ๆ>เมื่อเขาเข้าไปในครัวเขาพบว่าพันรยาได้เตรียมไข่ต้มห้าฟองและขนมปังปิ้งห้าแผน่นไว้เป็นอาหารเช้าให้เขา เขาเห็นจากหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับเช้าว่าวันนี้เป็นวันที่หเดือนพฤษภาคมซึ่งก็คือเดือนหมันมีอะไรแปลกๆชอบกลเขาพลิกหนังสือพิมพ์ไปที่หน้าม้าแข่งแล้วเขาก็ถึงกับอึ้งเมื่อเห็นว่าที่สนามแอสคอตซึ่งมีห้าตัวอักษรคือ A S C O T การแข่งรอบที่ห้า ม้าเลขที่ห้ามีชื่อว่านางฟ้าทั้งห้าหรือ five angels ความฝันนั่นเป็นหลางดีเขาลางานในบ่ายวันนั้นไปถอนเงินห0 0พันเหรียญแล้วไปสนามแข่งม้าเขาไปที่เจ้ามือรับแทงม้าช่องที่ห้าเพื่อแทงม้าเลขที่ห้าในรอบที่ห้า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 พวกเขาจึงไม่สนใจใหญ่ดีกับความฝันนั้ น, ขนเขยชาวออสเตรเลียนได้ไปที่สนามแข่งมา้าเขาแทงม้าตัวนั้นด้วยเงินก้อนโตแล้วม้าตัวนั้นก็เข้าวินดวงวิญญาณที่วัดจีตต้องชอบฝรัง่งออสเตรเลียนเป็นแน่ บรรดาพี่เมียน้องเมียของเขารู้สึกพรุ่งพลื่องด้วยความโกรธความกลัวคืออะไร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 พาลูกศิษย์คนนี้เข้าไปในห้องห้องหนึ่งที่ถ่ายวัดซึ่งปกติจะปิดล็อกไว้ภายในห้องมีบ่อน้ํากว้างประมาณหกเมตรมีแผ่นกระดานพาดเป็นสะพานทอดจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งอาจารย์เตือนให้ท่านทักกระแต่น้อยอยู่ห่างๆขอบบอ่อเพราะของเหลวในบอ่อไม่ใช่น้ําแต่เป็นน้ํากรดที่แรงมาก ท่านอาจารย์บอกตะกกแตนน้อยว่าภายในเจ็ดวันเธอจะถูกทดสอบเธอต้องเดินข้ามบ่อน้ำกรดโดยจะต้องทรงตัวให้ดีบนแผ่นไม้นั้นแต่จงระมัดระวังให้มากนะเธอเห็นกระดูกลื่อนกลาดที่ก้นบ่อน้ำกรดมันไหมท่านตักแตนน้อยจะโงกดูในบ่ออย่างระมัดระวัง และท่านก็เห็นกระดูบเต็มไปหมดกระดูกพวกนี้เป็นของเนร น, น้อยอย่างเธอนี่แหละท่านอาจารย์พาตกกะกแตนน้อยออกจากห้องที่น่ากลัวนั้นไปสู่แสงสว่างที่ลานวัดที่นั่นพระผู้ใหญ่ได้ตั้งไม้กระดานที่มีขนาดเดียวกันเลยกับแผ่นที่พาาอยู่เหนือบ่อน้งกรดไว้บนอิดสองก้อน ตลอดเจ็ดวันผ่านมาท่านตักแตนน้อยไม่มีหน้าที่จะต้องทำอะไรอย่างอื่นนอกจากซ้อมเดินส่งตัวบนไม้กระดานแผ่นนั้นเพราะมันง่ายเพียงสองสามวัน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 เพื่อสร้างสเปเชีย์เอฟเฟกต์มันสามารถหลอกท่านตักกแตนน้อยได้เส้นเดียวกับที่มันหลอกอาตมาสำเร็จอะไรทำให้เจ้าตกลงไปท่านอาจารย์ถามอย่างเป็นงานเป็นการความกลัวทำให้เจ้าตกลงไป เจ้าตากแต่น้อยเอ่ยเพราะความกลัวแท้ คุณบอกอาตามาว่าเรื่องที่น่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งของมนุษย์คือการพูดต่อหน้าคนเยอะๆอาตามาต้องบรรยายธรรมให้ผู้คนฟังอยู่บ่อยๆทั้งตามวัดต่างๆในการประชุมในงานแต่งงานและงานศพในรายการพูดคุยทางวิทยุและแม้แต่ออกรายการสดทางโทรทัศน์มันเป็นงานส่วนหนึ่งของอาตามา ครั้งหนึ่งอาตมาจำได้ว่าอีกห้านาทีก่อนที่อาตมาจะขึ้นบรรยายธรรมความกลัวก็เข้ามาครอบงำอาตมาอาตมาไม่ได้เตรียมการบรรยายไว้ล่วงหน้าและยังนึกไม่ออกว่าจะพูดเรื่องอะไรดีผู้ฟังกว่าสามร้อยคนที่นั่งรออยู่ในห้องประชุมล้วนคาดหวังว่าจะได้รับแรงบันดานใจ พวกเขาอุตส่าห์สลัเวลาช่วงเย็นมาฟังอาตมาบรรยายธรรมอาตมาเริ่มคิดวุ่นวายใจว่าแล้วถ้าเราคิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรเล่าแล้วถ้าเราพูดผิดพลาดล่าแล้วถ้าเราแสดงอะไรไม่ก็ท่าออกไปละความกลัวทั้งหมดเริ่มจากความคิดว่าแล้วถ้า ก่อนที่จะต่อด้วยอะไรอะไรที่จะส่งผลร้ายอาตมากาลังคาดการอนาคตแถมยังเป็นไปในทางลบอาตมาช่างคิดผิดไปแท้ๆอาตมารู้ตัวว่ากำลังคิดผิดอาตมารู้ทรษฎีทุกอย่างแต่มันใช้การไม่ได้ในเวลานี้ความกลัวแล่นกลาน้ามอาตมากำลังตกที่นั่งลำบา เย็นนั้นอาตมาได้ใช้กลยุทธ์ที่พระเราเรียกว่ากุสโลบายทำให้อาตมาเอาชนะความกลัวได้และใช้ได้ผลเสมอตั้งแต่นั้นมาอาตมาตกลงใจว่ามันไม่สำคัญว่าผู้ฟังจะเพลิดเพลินพอใจกับการบรรยายธรรมของอาตมาหรือไม่ขอแต่อาตมามีความสุขในการบรรยายก็พอแล้ว อาตมาจึงตกลงใจที่จะสนุกกับมันเดี๋ยวนี้เมื่อใดก็ตามที่อาตมาแสดงธรรมอาตมาจะรู้สึกสนุกทุกครั้งอาตมามีความสุขและเพลิดเพลินในการแสดงธรรมอาตมาเล่าเรื่องขบขันต่างๆหลายๆครั้งที่เป็นเรื่องของอาตมาเองแล้วก็หัวเราะไปกับผู้ฟัง ในรายการถ่ายทอดสดทางวิทยุอาตามาเล่าเรื่องหลวงพ่อชาพยากรณ์เกี่ยวกับระบบเงินตราในอนาคตชาวสิงคโปร์มักสนใจอะไรๆที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจนี่แหละหลวงพ่อพยากรณว่าวันใดวันหนึ่งโลกจะประสบปัญหาขาดแคลนกระดาษพิมพ์ธนบัตรและโลหะผลิตเหรียญกราสับ มนุษย์จึงจำเป็นต้องหาอะไรอย่างอื่นมาใช้ในการซื้อขายในแต่ละวันท่านพยากรว่าพวกเขาจะใช้ขี้ไก่เม็ดเล็กๆแทนเงินตราทุกคนต้องหอบขี้ไก่ไปไหนมาไหนเต็มกระเป๋าทีเดียวธนาคารจะเต็มไปด้วยขี้ไก่และบรรดาโจรก็จ้องจะขโมยขี้ไก่ด้วยคนรวยจะภูมิใจ ที่เขามีขี้ไก่มากมายในครอบครองส่วนคนจนจะฝันถึงการถูกลอตเตอรี่เพื่อจะได้ขี้ไก่เยอะๆรัฐบาลต่างๆจะให้ความสนใจมากเกินควรกับสถานการณ์ขี้ไก่ในประเทศของตนและเก็บปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมไว้เพื่อพิจารณาภายหลังเมื่อมีขี้ไก่เพียงพอแล้ว อะไรคือข้อแตกต่างสำคัญระหว่างธนบัติเหรียญกระสอบและขี้ไก่ไม่มีเลยอาตมารู้สึกเป็นสุขที่ได้เล่าเรื่องนี้ในวันนั้นมันบ่งบอกอะไรบางอย่างที่น่าสลดสังเวชของสภาพสังคมเราในปัจจุบันแล้วมันก็สนุกด้วยถูกใจผู้ฟังชาวสิงคโปร์มาก อาตมาคิดออกในบัดนั้นว่าถ้าเราตกลงใจที่จะสนุกกับการแสดงธรรมให้คนฟังเมื่อนั้นเราจะรู้สึกผ่อนคลายมันเป็นไปไม่ได้เลยในทางจิตวิทยาที่คนเราจะทั้งกลัวทั้งสนุกในเวลาเดียวกันเมื่ออาตมารู้สึกผ่อนคลายความคิดทั้งหลายก็ไหลเข้ามาในหัวของอาตมาโดยไม่ติดขัดขณะที่บรรยาย และคำบรรยายก็พรั่งพูออกจากปากของอาตมาอย่างราบรื่นมีรสชาติจับใจผู้ฟังนอกจากนั้นผู้ฟังทั้งหลายก็ไม่เบื่อเพราะมันสนุกพระทิเบตองค์หนึง่งเคยอธิบายถึงความสำคัญของการทำให้ผู้ฟังหัวเราะขณะฟังเทศ ท่านบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาอ้าปากเมื่อนั้นเราจะสามารถโยนเม็ดยาแห่งปัญญาใส่ปากเขาได้อาตมาม่เคยเตรียมการเพศแต่อาตมาเตรียมหัวใจและจิตใจของอาตมาแทน พระสงฆ์สายวัดหนองป่าพงได้รับการฝึกอบรมไม่ให้เตรียมการเทศแต่ให้เตรียมพร้อมที่จะเทศได้ทุกเมื่อโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในวันมาคบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญลำดับที่สองทางพุทธศาสนาอาตมาอยู่ที่วัดหนองป่าพงของหลวพชาที่ภาคอีสานพร้อมกับพระสงฆ์อีกกว่า200รูปและญาติโยมหลายพันคนหลวงพ่อท่านเป็นที่นับถือของคนจำนวนมากปีนั้นเป็นปีที่ห้าที่อาตมาบวชเป็นพระ หลังจากทำวัดเย็นแล้วก็ถึงเวลาสำหรับการเทศกันใหญ่ปกติหลวงพ่อท่านมักจะเทศเองในวันสำคัญเช่นนี้แต่นั่นก็ไม่แน่เสมอไปบางครั้งท่านจะกว่าตามองที่แถวของพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ถ้าสายตาของท่านหยุดที่ใครแล้วก็องนั้นโดนแน่หลวงพ่อจะนิมนต์ให้ท่านเทศ แม้ว่าอาตมาจะยังเป็นพระที่มีพรรษาน้อยเมื่อเทียบกับองค์อื่นๆที่นั่งอยู่หน้าอาตมาผู้ใดจะประมาทไม่ได้เลยในอะไรอะไรที่เกี่ยวกับหลวงพ่อหลวงพ่อกวาดตามองแถวของพระสงฆ์สายตาของท่านมาถึงอาตมา แล้วก็ผ่านเลยไปอาตมาแอบถอนใจเบาๆอย่างโล่งอกและแล้วสายตาของท่านก็กวาดกลับมาอีกครั้งโยมเดาสิว่าสายตาท่านหยุดที่ใครรมมาวังโสเสียงพ่อสัง่งนิมนเทศ ไม่มีทางเป็นอย่างอื่นอาตมา ต, ต้องเทศภาษาไทยโดยไม่มีการเตรียมตัวมาก่อนเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงต่อหน้าอาจารย์ของอาตมาพระสงฆ์และญาติโยมหลายพันคนมันไม่สําคัญหรอกว่าการเทศในคืนนั้นจะดีหรือไม่ความสําคัญมันอยู่ที่ว่าอาตมาตจะได้ทําหน้าที่ที่หลวงพ่อมอบหมายให้ต่างหาก พ่อไม่เคยบอกว่าที่เราเทศนั้นดีหรือไม่ดีเพราะนั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญครั้งหนึ่งท่านขอให้พระฝรั่งองค์หนึ่งผู้มีความเชี่ยวชาญขึ้นเทศให้พ่อออกไม่ออกที่มาจำเสียงที่วัดในวันพรัสฝังเมื่อเทศครบหนึ่งชั่วโมงพระท่านเริ่มสรุป เพื่อจะจบการเทศที่เป็นภาษาไทยนั้นหากมพ่อขัดขึ้นและขอให้ท่านเทศต่ออีกหนึ่งชั่วโมงมันยากอยู่นาแต่ท่านก็เทศต่อพอท่านเตรียมจะสรุปจบหลังจากที่อุตส่าห์กัดฟันเทศเป็นภาษาไทยด้วยความยากลาบากในชั่วโมงที่สองหลวงพ่อก็สั่งให้ท่านเทศต่ออีกหนึ่งชั่วโมงมันเป็นไปไม่ได้จริง ฝรั่งที่รู้ภาษาไทยอยู่แค่นั้นอย่างท่านก็ต้องลงเอยด้วยการพูดซ้ําไปซ้ํามาจนผู้ฟังเบื่อแต่ท่านไม่มีทางเลือกเมื่อสิ้นชั่วโมงที่สามคนส่วนใหญ่ได้หนีกกลับไปแล้วคนที่เหลืออยู่ก็คุยกันเองแม้แต่ยุงหรือจิ้งจกตุกแก่ยังหลบไปนอนกันหมดแล้วพระฝรั่งองค์นั้น ท่านเชื่อฟังอาจารย์ท่านเล่าว่าหลังจากประสบการณ์ครั้งนั้นซึ่งการเทศจบลงเมื่อเวลาสีชั่วโมงผ่านไปที่ท่านได้เจอและเรียนรู้ปฏิกิริยาของผู้ฟังทุกรูปแบบอย่างลึกซึ้งท่านไม่เคยกลัวที่จะเทศให้ชุมชนฟังอีกต่อไป น, นั่นแหละเป็นวิธีการฝึกอบรมที่พวกพระเราได้รับจากหลวงพ่อชาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่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 แต่ในที่สุดอาตามาก็ต้องหยุดสวดมนต์อีกอาตามากำลังตะโกนและเกริ่เสียงตัางหากตอนนั้นเป็นเวลาดึกแล้วและอาตามา ก, กลัวว่าเสียงของอาตามาจะปลุกพระองค์อื่นวิธีตะโกนท่องบทสวดมนต์นั้นจะสามารถปลุกคนทั้งหมู่บ้านที่อยู่ห่างออกไปสองสามกิโลเมตรได้ทีเดียวอำนาจของความเจ็บปวด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 อาตามาทดลองทุกวิถีทางเท่าที่อาตามาจะนึกได้ทุกอย่างจริงๆอาตามาไม่ไหวแล้วมันเป็นเช่นนั้นนหะหนาทีอย่างภาวะสิ้นหวังสุดๆเช่นนี้ กลับช่วยเปิดประตูแห่งปัญญาประตูที่เราจะไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตปกติของเราเมื่อประตูบานนั้นเปิดอ้าต้อนรับอาตมาอา ต, าอาตมาจึงได้ผ่านเข้าไปขอบอกตรงๆว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆ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 ที่บอกเราให้ปล่อยวางต่างหากเราควรที่จะปล่อยวางตัวบงการที่มันอยู่ในตัวเราซึ่งเราทุกคนก็รู้ว่ามันเป็ใครการปล่อยวางหมายถึงการไม่มีตัวบงการลกูกศิษย์คนที่สองกำลังเจ็บปวดรุนแรงเขาจําคําสอนของอาตมาได้และจะปล่อยวางตัวบงการนั้น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 ที่ด้านนอกโรงทำ ง, งานของวัดยืนถือคีมธรรมดาธรรมดาคู่หนึ่งที่ยังคีบฟันเปื้อนเลือดที่เพิ่งถูกถอนออกมาสดๆร้อนๆสบายๆไม่มีปัญหาท่านล้างคีมคู่นั้นก่อนจะนำมันกลับไปคืนที่ในโรงเก็บเครื่องมืออาตมาถามท่านว่าท่านสามารถทำเรื่องเ่ น, นี้ได้อย่างไร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 เมื่อผมหยิบคีมขึ้นมามันก็ยังไม่เจ็บเมื่อผมเอาคีมหนีบวันไว้มันก็ยังไม่เจ็บอีกนั่นแหละเมื่มอผมขยับคีมแล้วดึงนั่นแหละที่มันเจ็บแต่ก็เพียงสองสามวินาทีเท่านั้นพอฟันโดนถอนออกมาแล้วนั้นมันก็ไม่ได้เจ็บอะไรนักหนาตกลงมันก็เจ็บแค่ห้าวินาทีเท่านั้น มันก็แค่นั่นเองโยมผู้อ่านอาจจะทำหน้าเ ย, ยเกเมื่ออ่านเรื่องจริงเรื่องนี้เพราะความหวาดกลัวโยมอาจจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดมากกว่าที่ท่านเจ็บเสอีกถ้าโยมจะลองทำตามอย่างท่านโยมอาจจะรู้สึกเจ็บอย่างแรงยิ่งไปกว่านั้น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 จากสถานการณ์ที่น่าลำบากใจหลายๆกรณีอาตมากำลังยืนเข้าคิวแถวหนึ่งในจำนวนหกแถวตรงด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินเมืองเพิร์ขากลับจากการเดินทางไปสิงคโปร์ผ่านประเทศสิงคโปร์คิวทั้งหลายเคลื่อนไปอย่างช้าๆ แสดงว่าเจ้าหน้าที่ทําการตรวจเช็คอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้หนึ่งปรากฏตัวขึ้นที่ประตูด้านข้างของลอบบีมีสุนัขดมกลิ่นตัวเล็กๆที่ถูกฝึกให้ค้นหายาเสพติดมาด้วยผู้เดินทางขาเข้าทั้งหลายยิ้มอย่างหวาดหวาดเมื่อเจ้าสุนัขเดินตรวจขึ้นลงแต่ละแถวแม้ว่าเขาทั้งหลายไม่ได้ขนยาเสพติด แต่เราจะสังเกตเห็นหน้าการผ่อนคลายจากความต um ึงเครียดหลังจากที่เจ้าหมาดมเขาแล้วก็ถูกพาไปหาผู้อื่นต่อเ<ค><น>มื่อเจ้าหมาตัวเล็กน่ารักนั้นมาถึงตัวอาตมาและเริ่มดมมันหยุดนิ่งฝังจมูกเล็กๆของมันลงจีวรของอาตมาแล้วก็กระติกหางอย่างรวดเร็วเป็นงวงกว้าง จาหน้าที่สุลกากรคนนั้นต้องกระตุกสายจูงดึงมันไปคนเดินทางที่อยู่เบื้องหน้าอาตมาซึ่งก่อนหน้านี้ยังดูเป็นมิกกับอาตมาดีบัดนี้ได้กระยับห่างจากอาตมาออกไปและอาตมาก็ยังแน่ใจได้ว่าคนคู่ที่อยู่เบื้องหลังก็ได้ถอยหลังให้ห่างอาตมาออกไปด้วย หลังจากนั้นห้านาทีอาตามาขยบเข้าใกล้เคาน์เตอร์มากขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่นำหมาออกมาดมกลิ่นอีกรอบเจ้าหมานั้นเดินขึ้นลงตลอดทุกแถวดมคนเดินผ่านทุกคนคนละนิดแล้วก็เคลื่อนต่อไปเมื่อมาถึงอาตามามันก็หยุดอีกแล้วมันก็มุดหัวของมันเข้ามาในจีวร อ, อาตามา ส่วนหางก็ปัดไกวหน้าดูเจ้าหน้าที่สุลกากรต้องออกแรงดึงมันออกไปอีกอัตมารู้สึกว่าทุกๆสายตาจับจ้องที่อาตมาณจุดนี้แม้ว่าหลายๆคนอาจจะเริ่มเป็นกังวลแต่อาตมานะรู้สึกผ่อนคลายเต็มที่ถ้าอัตมาจะต้องเข้าคุกแล้วก็อืมอาตมามีเพื่อนอยู่ในนั้นตั้งหลายคน และอหาหารในคุกก็ดีอุดมสมบูรณ์กว่าที่วัดมากเสียด้วยเมื่ออาตมาไปถึงจ <gel> ุดตรวจของศุลกากรเขาตรวจอาตมาอย่างละเอียดอาตมาไม่มียาเสตติพระเราไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งเดิมเขาไม่ถึงกับให้อาตมาถอดเสื้อผ้าเพื่อจะตรวจหอก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 อาจจะเคยเป็นพระในอดีตชาติของมันก็ได้และเขาก็ปล่อยตัวอาตามาไปครั้งหนึ่งอาตามาวุวิจะโดนชาวออสเตรเลียร่างใหญ่ซึ่งกำลังโกรธและใกล้จะเมาต่อยการตรัสจากความกลัว ช่วยให้อัตมารอดตัวไปได้ในวันนั้นและช่วยปกป้องจมูกของอัตมาไว้ด้วยเราเพิ่งไปเปิดศูนย์ใหม่ที่ในเมืองค่อนไปทางตอนเหนือของเพิร์และกาลังจะมีพิธีฉลองศูนย์ใหม่เราทั้งประหลาดใจและยินดีที่ท่านผู้ว่าการประจาออสเตรเลียตะวันตกท่านเซอร์กอดอนรีดและภรรยา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 อา Tuesday, ตมาจึตกลงสั่งจองของที่ต้องการเมื่อกระโจมและเก้าอี้มาถึงในตอนบ okay. <No. S 1> ่ายวันศุกร์ซึ่งช้ากว่าเวลานัดหมายอาตมากำลังช่วยงานอยู่ที่หลังศูนย์รถบรรทุกและคนส่งของได้หายตัวไปแล้วเมื่ออาตมาออกมาตรวจของอาตมาไม่อยากจะเชื่อเลยเมื่อเห็นสภาพของกระโจมที่เขาส่งมา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 อาตามาก็เห็นเก้าอี้พิเศษสำหรับแขกวีไอพมันช่างพิเศษจริงๆไม่มีตัวไหนที่ขาเก้าอี้ยาวเท่ากันเลยทุกๆตัวล้วนแต่โยกเยกมากๆมันเหลือเชื่อจริงๆและมันก็มากเกินไปแล้วอาตามารีเข้าหาโทรศัรพท์ทันทีโทรหาบริษัทให้เช่าและทันได้ตัวผู้หญิงคนนั้นก่อนที่เธอจะออกจากที่ทำ ง, งานเพื่อหยุดสุดสัปดาห์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 านี้อาตามาตั้งใจรอรถส่งของเลยทีเดียวอาตามาเห็นมันเลี้ยวเข้ามาบนถนนของเราสักราวครึ่งทางประมาณห0สิเมตรจากศูนย์ขณะที่รถบรรทุกกำลังวิ่งอยู่ค่อนข้างเร็วชายคนหนึ่งกระโดดลงมาแล้ววิ่งแนวมาหาอาตามาด้วยแววตาถมึงถึงและกำปั้นที่กำไว้แน่นเขาตะโกนว่า อัวหน้าอยู่ไหนอัวต้องการพบเจ้าหมอนั่นอาตมาได้ทราบภายหลังว่าของที่ส่งมาให้เราชุดแรกนั้นเป็นชุดสุดท้ายที่เขาส่งในวันนั้นหลังจากส่งของให้เราแล้วคนงานพวกนี้ก็แต่งเนื้อแต่งตัวใหม่แล้วออกไปโรงเหล้าเพื่อฉลองวันหยุดสุดสัปดาห์เขาคงกําลังเริ่มมีความสุขกับการดื่มฉลองวันหยุดเมื่อผู้จัดการเข้ามาตามถึงในโรงเหล้า แล้วออกคำสั่งให้กลับไปทำงานต่อพวกชาวพุทธต้องการให้เปลี่ยนก็อีอาตมาเดินเข้าไปใกล้าชายผู้นั้นและพูดอย่างอ่อนโยนว่าอาตมาเป็นหัวหน้าเองแหละอาตมาจะช่วยอะไรได้บ้างเขาจึงโงกหน้าเข้ามาใกล้อัตมามากขึ้นจนเกือบจะโดนจมูกอาตมาทีเดียว มือขวาของเขาอยัางกำแน่นสายตาราวกับจะแผลเผาอาตมาด้วยความโกรธอาตมาได้กลิ่นเบียร์อย่างแรงจากปากของเขาซึ่งอยู่ห่างกระเพียงไม่กี่นิ้วอาตมาไม่รู้สึกกลัวหรือหยิงยโสอาตมารู้สึกผ่อนคลา ย, ายสบายๆผู้ที่เรียกตนว่าเป็นเพื่อนของอาตมาทั้งหลายหยุดทําความสะอาดเก้าอี้เพื่อดูเหตุการณ์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 หรือการโต้อตอบอย่างก้าวราวหัวสมองของเขาไม่รู้จักวิธีการตอบสนอ ง, องผู้ที่ยังรู้สึกผ่อนคลายอยู่ได้ขณะที่กํปั้นของเขาแทบจะเสยเข้าไปในรูจมูก ข, ของคนคนนั้นอยู่แล้วอาตมารู้ว่าเขาไม่อาจจะต่อยอาตมาได้หรือยกกํมปั้นห่างออกไปได้การปราศจากความกลวนนั้นทําเอาเขางงไปเลย ในช่วงเวลาไม่กี่นาทีนั้นรถบรรทุกได้เข้ามาจอดและนายของเขาก็เดินเข้ามาหาเราเขายกมือขึ้นจับบ่าคนงานที่ยังคงยืนแข็งอยู่และพูดว่ามาเธอมาช่วยกันขนกอี้งงหน่อยนั่นเป็นการเปิดทางตันช่วยเขามีทางออกอาตมาบอกว่าอาตมาจะช่วยคนรวย แล้วเราก็ขนกอี้ลงร่วมกัน